วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17มีนาคมพุทธศักราช2567เป็นวันพระวันธรรมสวนะคือวันฟังธรรมเป็นวันมงคลอย่างยิ่ง สาเหตุที่วันนี้เป็นวันมงคลเพราะว่ามีการกระทาที่เป็นมงคลนั่นเองการกระทาที่เป็นมงคลได้แก่อะไรก็คือหนึ่งได้แก่การฟังธรรมกาเลนะธรรมสวณนะนัดสอง <c oughs> การสนทนาธรรมกาเลนะธรรมสากัจฉา เอตัมังการมุตตัมังนี่คือการกระทาที่เป็นมงคลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกาหนดไว้ทรงสอนไว้ในพระมงคลลสูตรสามสิบแปดมงคลสามสิบแปดข้อมีการฟังธรรมและการสนทนาธรรมเป็นการมงคลเป็นความมงคล มงคลก็คือเป็นการส่งเสริมความสุขความเจริญของจิตใจให้จิตใจได้ยกระดับจากระดับที่เป็นมนุษย์นี้ให้เจริญขึ้นไปสู่ระดับของพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดตามลำดับต่อไป อันฟังธรรมจึงและการสนทนาธรรมจึงเป็นกิจวัตรที่จำเป็นที่สำคัญที่ชาวพุทธเราไม่ควรที่จะมองข้ามกันควรจะให้ความสำคัญถ้ามีความรักความเจริญในการปฏิบัติธรรมให้การปฏิบัติธรรมได้เจริญก้าวหน้าไปตามลำดับ ไปจนถึงขั้นสูงสุดจาเป็นจะต้องมีการฟังเทศฟังธรรมจากผู้รู้ mm. ผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบและการได้สนทนาธรรมกับท่านผู้รู้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ mm. ก็จะสามารถสร้างความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติ ผู้ปรารถนาในการพัฒนาจิตใจให้เจริญขึ้นไปตามลำดับขาดการกระทําอ2สองอย่างนี้ไม่ได้คือการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็การสนทนาธรรมสิ่งที่จะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมหรือการสนทนาธรรมนี้ ก็มีเช่นจะได้ยินได้ฟังทำที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วถ้าเคยได้ยินได้ฟังทำข้อใดแล้วพอได้ฟังซ้ําอีกก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นไปตามลําดับจะช่วยกําจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้จะ ทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือปัญญาและจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุขจากการได้ฟังธรรมก็ดีหรือได้การได้สนทนาธรรมกันก็ดีการสนทนาธรรมนี้ ส่งสอนให้สนทนาธรรมอยู่ในสิบหัวข้อด้วยกันทมที่ควรจะสนทนาธรรมสนทนากันเวลาที่นักปฏิบัติได้มาพบปะพูดคุยกันไม่ควรพูดคุยเรื่องทางโลก mm hmm. เช่นเรื่องของลาบยศสรรเสริญเรื่องของความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกาย แต่ให้มาคุยเรื่องธรรมมากันเพราะถ้าคุยเรื่องทางโลกใจก็จะไปทางโลกถ้าไปทางโลกก็ไปสู่กองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าสนทนาถ้าไปทางธรรมถ้าสนทนาธรรมกันใจก็จะไปทางธรรมก็จะไปออก จากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่มรรคผลนิพพานตามลำดับต่อไปดังนั้นเวลาถ้ามีความเวลาได้พบปะกันระหว่างผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันควรที่จะพูดเรื่องธรรมที่จะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นให้ก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับ คำ ท, ที่ควรจะพูดปควยนี้ก็มีเช่นข้อที่หนึ่งให้คุยเรื่องมักน้อยคือยินดีเนี่ยยินดีในสิ่งน้อยๆไม่ต้องการอะไรมากกเกินกว่าความจําเป็นข้อสองให้คุยเรื่องมักสันโดษสันโดษก็คือให้ยินดีตามมีตามเกิด ได้อะไรมาก็ให้มีความพอใจมีอะไรก็ให้มีความพอใจไม่ชู้จีจ้จุกจิกไม่เลือกนู่นเลือกนี่ถ้าสามารถนำมามาใช้เพื่อบาบัดความทุกข์ของร่างกายได้ก็ให้ยินดีรับไว้จะได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไรจะดีหรือไม่ดีก็ไม่เป็นไร นี่เรียกว่าสันโดษยดินดีตามมีตามเกิดความมากน้อยก็ดีความสันโดษก็ดีนี้จะช่วยกำจัดเรื่องวุ่นวายที่เกิดจากความโลภความโลภมากถ้ามีความโลภมากนี่ถ้าได้น้อยก็จะรู้สึกไม่มีความสุขแต่ถ้ามากน้อยถ้าได้น้อยก็จะมีความสุขไม่วุ่นวายไม่ไม่ทุกข์ใจไม่เสียใจ ความสันโดษก็จะทําให้มีความสุขไม่ว่าจะได้รับอะไรมาถ้าไม่สันโดษถ้าจูจ้จี้จุกจิกเลือกนู่นเลือกนี้่เวลาไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็จะเกิดความไม่พอใจเกิดความเสียใจขึ้นมาดังนห้หัดใช้ความมากน้อยมากน้อยสันโดษนี้เป้าหมายก็อยู่ที่เครื่องบริโภค เช่นคือปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ให้เรายินดีตามมีตามเกิดหรือให้ยินดีเท่าที่เท่าที่จำเป็นจะต้องมีไม่ต้องการของหรูหราไม่ต้องการของใหญ่โตไม่ต้องการของมากมายกายกองเอาพออยู่พอกินได้นี่คือเรื่องสองหัวข้อแรกคือความมักน้อยสันโดษ ข้อที่สามที่กวรจะพูดจะคุยกัน <c oughs> ก็คือคุยเรื่องของการความการทความเพียรว่าวันนี้วันหนึ่งทาความเพียรกันกี่ชั่วโมงเดินโยงกรมนั่งสมาธิกันกี่ชั่วโมงทําความเพียรแล้วได้ประโยชน์อย่างไรจากการทําความเพียร <c oughs> อันนี้ก็เป็นข้อที่สามควรจะคุยกัน หรือสถานที่ทำความเพียรว่าที่ไหนเป็นที่ทำความเพียรดีรสถานที่ไหนสงบสงัดวิเวกอันนี้คุยเรื่องการทำความเพียรกันข้อที่สี่ก็ให้คุยเรื่องของการไม่คลุกคลีกันไม่สังสรรไม่สมาคมกันผู้ที่ปรารถนาวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้ที่ปรารถนามากผลนิพพาน จำเป็นต้องเป็นผู้ที่ยินดีกับการอยู่คนเดียวไม่คุ๊เกย์กันไม่สังคมกันเพราะเวลาสังคมกันก็มักจะมีเรื่องที่จะต้องทำกันที่ไม่ใช่เรื่องของการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นแต่เป็นเรื่องของการที่จะทำให้ต้องติดอยู่กับกองทุกต่อไปนานๆ น, น, นั่นเอง แท น, นถ้าไม่มีความจําเป็นอย่าเข้าสังคมตีกวิเวตกตีไม่คลุกคลีกับใครถ้าจําเป็นก็ทําไปเท่าที่จําเป็นต้องทำเช่นงานต่างๆงานเลี้ยงงานศพงานแต่งงานงานอะไรก็ตามถ้าไม่ไปได้ก็ดีจะได้มีเวลาไปให้กับการปฏิบัติมากขึ้นนั่นเองถ้าต้องไปงานต่างๆเออ เวลาก็จะหมดไปเวลาของการปฏิบัติก็จะลดน้อยถอยลงไปก็อยากจะทำให้โอกาสทองของชีวิตนี้มันสั้นลงเวลาน้อยลงไปโอกาสทองที่จะนำม า, มาให้กับการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นมันจะมีน้อยลงไป ถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของทางสังคมกันมากจนเกินไป น, นั้นอย่าคลุกคลีกันอย่าสังคมกันแล้วข้อต่อมาก็ให้คุยเรื่องของการปลีกวิเวก ค, คือหาสถานที่สงบสงัดอย่าอยู่ในบ้านในเรือนอยู่ตามบ้านช่องอยู่ตามบ้านเมืองที่มีแสงสีเสียง มีรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆที่คอยยั่วยวนกวนใจจะทำให้การปฏิบัติธรรมนี้เป็นไปได้ยากถ้าต้องการที่จะปฏิบัติได้อย่างสะดวกคล่องแคล่วปราศจากอุปสรรคต่างๆเช่นการมาฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสทธกัณก็ต้องหาสถานที่สงบสงัดวิเวกไปปฏิบัติ พูดถึงเรื่องสถานที่สงบเรื่องพูดถึงเรื่องของการปิดมิเวกแล้วก็ข้อต่อมาก็ให้พูดถึงเรื่องของศีลเวลาพบปะกันก็คุยเรื่องศีลศีลห้ามีอะไรบ้างศีลแปดมีอะไรบ้างศีลสองร้อยี่บเจ็ดมีอะไรบ้างเพรการปฏิบัติศีลการมีศีลนี้จะ สนับสนุนให้จิตใ จ, จเจริญก้าวหน้าสู่วิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองคุยเรื่องสีลสิลเราบกพ่องไหมสิลเรายังมีน้อยไปไหมเราควรจะเพิ่มสินข้อไหนบ้างแล้วก็พูดเรื่องสีลแล้วก็พูดเรื่องสมาธิการทำสมาธิทำอย่างไรถึงทำให้ใจสงบ ความสงบอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นความสงบที่เป็นสัมมาสัมมาสมาธิไม่ใช่มิจฉาสมาธิแล้วก็พูดเรื่องปัญญาปัญญานี้มีกี่ชนิดด้วยกันมีสามชนิดคือมีปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเรียกว่าสุดะมายาปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาค่อยควรอยู่เน่วเนียวเรียกว่าจินตามายปัญญาและปัญญาที่เกิดจากการภาวนา<ม>การทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสมาธิด้วยการเจริญสัมมัถาภาวนาสลับกับการเจริญจินตามายปัญญาหรือสุตตมายปัญญา<ม>ก็จะกลายเป็นปัญญาชนิดที่สาร ที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่มีมีใจที่มีสมาธิมีความสงบก็จะสามารถนำเอาไปใช้ในการหยุดความอยากต่างๆหยุดต้นเหตุของความทุกข์ทำให้เกิดวิมุตินิโรธคือการดับทุกข์ขึ้นมาก็คุยเรื่องปัญญาแล้วก็จะคุยเรื่องวิมุติ การหลุดพ้นจากความทุกข์คุยเรื่องวิมุตติแล้วก็คุยเรื่องวิมุตติญาณทัศนะญาณที่ได้อย่างทราบแล้วว่าความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในใจในขณะนั้นขณะนี้มันไม่มีอยู่แล้วเหตุที่ทําให้ใจทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่มีอยู่แล้วในใจของตนอันนี้เรียกว่าการอย่างทราบวิมุตติญาณทัศนะ การอย่างทราบว่าจิตของตอนนี้ได้พ้นจากความทุกข์แล้วไม่ต้องไปถามใครว่าพ้นหรือไม่พ้นเวลาเราหลุดพ้นจากความทุกข์มันรู้อยู่แก่ใจของตอนเองอออนี่คือเรื่องหัวข้อทรสิบประการสิบหัวข้อด้วยกันที่ผู้ปฏิบัติทมผู้ที่ปรารถนาความเจริญใน ทางธรรมผู้ปรารถนาลดแห่งธรรมคือลดของวิมุติลดของการหลุดพ้นจากความทุกข์ควรที่จะคุยกันในสิบหัวข้อนี้ไม่ควรที่จะไปพูดคุยในเรื่องอื่นเพราะจะไม่เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติให้เกิดวิมุติหลุดพ้นขึ้นมาถ้าไปคุยกันทางโลกคุยเรื่องการหาเงินหาทอง คุยเรื่องการหายศหาตำแหน่งคุยเรื่องของการหา <c oughs> สรรเสริญเรื่องนางวีรางวัลอะไรต่างๆคุยเรื่องการไปหาความสุขจากสถานที่ต่างๆไปเที่ยวสถานที่ต่างๆหรือไปกินไปดื่มตามร้านอาหารชนิดต่างๆการคุยกันเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ แต่มันจะทำให้จิตใจกลับไปติดอยู่ใ น, อในกองทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นวนยาเสพติดพอได้แล้วก็อยากจะได้อีกไปเรื่อยๆเพราะได้เสพแล้วมันก็จะต้องเสพอยู่เรื่อยๆเพราะเวลาที่ไม่ได้เสพมันจะรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปรี่ยวเดียวดายไม่มีความสุขมันก็จะทำให้ไปในทิศทางที่ไม่ควรจะไป คือทิศทางสู่การติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองผู้ที่ไฝ่ธรรมผู้ที่ตั้งใจมีความปรารถนาที่จะให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงยังต้องมีความระมัดระวังเวลาพบปะกันเวลาเจอกันถ้าไม่พบปะกันได้นะดีที่สุดไม่คุกกีกัน ออถ้าคุกคีกันแล้วเดี๋ยวก็อาจจะเกิดการพังเผือ<ม>พูดเรื่องถึงเราจะไปพูดเรื่องนอกนอกลู่นอกทางกันพูดเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้<ม>อาจจะเป็นการวิภาควิจาร์คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้<ม>ซึ่งไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์ต่อการที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ คนจะพูดเรื่องข้อหนึ่งคือความมากน้อยออการบริโภคปัจจัยสีของเราเป็นอย่างไรบ้างมากน้อยหรือไม่หรือมากมากอาหารกินกี่มือ้อถึงจะพอสำหร อ, อ, อ, อ, องนักปฏิบัติธรรมก็มีหลายระดับระดับต้นก็คือให้รับประทานไม่เกินเชี่ยงวันไปแล้ว ถ้าไม่ได้ปฏิบัติถ้าถือศีลถ้าไม่ได้ถือศีลแปดนะก็มักจะกินกันแบบไม่มีขอบเขตกินตามความอยากนะถ้ากินตามความอยากนะก็เท่ากับการเป็นการส่งเสริมกิเลสตัณหาให้มีกำลังสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเพิ่มมากขึ้นนะเป็นการผูกใจให้ติดอยู่ในกองทุกข์นานขึ้นมากขึ้นเท่านั้นเอง แต่การที่กินน้อยๆกินเท่าที่จำเป็นกินเท่าที่ความความต้องการของร่างกายซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงพิสูจน์แล้วว่าการกินอาหารการให้อาหารกับร่างกายนี้ให้เพียงวันละหนึ่งครั้งก็พอพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายนี้ท่านรับประทานกันเพียงวันละหนึ่งครั้งนะั้นฉันเมือเดียวท่านปฏิบัติทุดงควัด กินเมือเดียวก็พอร่างกายนี้ไม่ไม่อดตายแน่นอนอยู่ได้อย่างสบายพระพุทธเจ้าอยู่ได้ถึงแปดสิบปีพระสาวกบางโลกก็อยู่ได้เกินร้อยปีก็มีท่านก็ฉันมือเดียวท่านไม่ได้ไม่ได้ตายไปเพราะว่าไม่ได้อดตายเพราะการฉันมือเดียวการฉันมือเดียวนี้มันมีคนมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรม ช่วยกำจัดนิวรคือความง่วงเหงาเหงานอนความเกลียดคา้าน<ม>เวลาที่รับประทานอาหารอิ่มๆมากๆนี้<ม>จะมีความรู้สึกง่วงเหงาเหาานอน<ม>เวลานั่งสมาธิแล้วจะรู้สึกสับประก<ม>นั่งแล้วก็ขอพับขอเอียง<ม>ไม่มีสติพอที่จะควบคุมจิตใจให้เข้าสู่ความสงบได้ จิตใจเข้าสู่เข้าสู่ผวังหลับคนที่ไม่รู้ก็คิดว่าเข้าสมาธิกันแต่ความจริงก็คือนั่งหลับดีๆนี่เองพราะไม่รู้อะไรเลยทุกอย่างหายไปหมดเหมือนกับตอนนอนหลับไม่รับรู้อะไรรู้ก็ตอนที่เงยค อ, อขึ้นมาเงยหน้าขึ้นมาลืมตาขึ้นมามองดูนาฬิกาโอ๊ยวันนี้นั่งได้ต้องชั่วโมง ความจริงมันไม่ได้นั่งสมาธิเรียกว่านั่งหลับกันสาเหตุที่นั่งหลับก็เพราะรับประทานอาหารมากเกินไปอพอหนังท้องตึงหนังตาก็จะหย่อนอตาก็จะหน้าตาก็อยากจะหลับอยากจะนอนขึ้นมาตัอาการง่วงเหงาห่าวนอนอ ม, มีคนมักจะถามปัญหานี้อยู่เรียกว่าเวลานั่งสมาธิทำไมรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนมากเกิน อันนั้นก็เป็นเพราะว่าสาเหตุอันหนึ่งก็คืออยู่ที่การรับประทานอาหารมากเกินไปลองรับประทานน้อยๆพอให้มันอยู่ได้อาจจะไม่อิ่มเต็มที่ไม่ได้รับประทานอาหารไม่ควรจะรับประทานเพื่อให้มันอิ่มรับประทานเพื่อระงับความหิวก็พอพอรับปพอรับทานอาหารไปสักพักหนึ่งแล้วพอขณะที่รับประทานไปพอรู้สึกว่าไม่หิวแล้วก็ควรจะหยุด ไม่ควรจะรับประทานต่อให้มันอิ่มถ้ามันอิ่มมันก็แทดงมันก็จะทำให้เกิดอาการง่วงเหงาเหานอนตามมาต่อไปรับประทานพอให้ดับความหิวได้ก็พอถ้าปฏิบัติหรือนักปฏิบัติส่วนใหญ่นี้ก็จะถือการรับประทานอาหารวันละหนึ่งครั้งก็พอจะจะช่วยในการทำความเพีย เพราะจะทำให้รู้สึกไม่ขี้เกียจไม่งงงเหงาเอาวนอยเวลาเดินจงกรมก็เดินได้อย่างสบายเวลานั่งสมาธิก็ไม่สับปะงกนี่คือประโยชน์ของความมากน้อยในเรื่องของการบริโภคอาหารที่อยู่อาศัยก็อยู่ท่านก็สอนให้อยู่กันแบบตามมีตามเกิดไม่ต้องไปสร้างที่พักอาศัยให้มันวุ่นวาย ถระปฏิบัตินี้จะเป็นพระที่ชอบเปลี่ยนที่ปฏิบัติไปเรื่อยๆเพราะการอยู่ที่ที่มันจำเจซ้ำซากมันจะทำให้ไม่มีสติดีถ้าไปอยู่ที่ใหม่ที่ไม่มีที่ที่ไม่เคยชินจะต้องมีสติเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีจะไปเจออะไรบ้างจะเดินไปไหนมาไหนนี้ จะต้องคอยระมัดระวังว่าจะมีงูบ้างมีสัตว์อะไรบ้างหรือเปล่าการที่ไปอยู่ป่าแล้วเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆนี่เป็นการช่วยส่งเสริมการเจริญสติให้มีความระมัดระวังถ้าอยู่ที่เคยชินแล้วมันก็รู้ว่าปลอดภัยแล้วมันก็จะไม่ค่อยระมัดระวัง ความไม่รับมความไม่รับมัลระวังนี้ก็เรียกว่าเป็นการไม่มีสติการไม่ใช้สติเท่าที่ควรนั่นเองเพรนี้พระปฏิบัติบางรูปเวลาท่านไปอยู่ที่ไหนได้สักระยะหนึ่งแล้วท่านเริ่มรู้สึกว่ามันเคยชินกับสถานที่แล้วมันไม่ได้กระตุ้นความเพียรความไม่ได้กระตุ้นให้มีสติท่านก็มักจะย้ายที่ไปอยู่อีกที่หนึง่งหาที่ที่ยังไม่เคยไป เวลาไปที่ใหม่ๆก็ไม่รู้ว่าจะมีภัยที่ตรงไหนบ้างเวลามองซ้ายมองขวาเดินไปข้างหน้าข้างหลังก็จะต้องคอยมีสติคอยดูคอยเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลานี่คืออุบายของการเจริญสติของพระปฏิบัติว่าทำไมท่านจึงต้องไปปีกวิเวกแล้วก็ไปเปลี่ยนที่อยู่ที่หนึ่งได้ชักระยะหนึ่งแล้วพอเกิดความเคยชิน สติสตังเริ่มทดอถอยเมื่อไม่เริ่มไม่มีความระมัดระวังก็เปลี่ยนสถานที่ใหม่ไปอันนี้ได้สถานที่ไหนอยู่ก็อยู่ไปส่วนใหญ่ท่านจะมีที่อยู่แบกไปอยู่แล้วก็คือกดกฎกระมุงนี่แหละก็คือที่อยู่อาศัยของพระปฏิบัติการกฎการกดก็คือร่มใหญ่ๆ แล้วก็มีมุ้งคอบลงมาอีกทีหนึง่งสามารถนั่งสมาธินอนพักผ่อนในกดได้พื้นก็พื้นกับนอนกับพื้นดินเนี่ยหาใบม้งหาใบไม้อะไรมาปูามาพอห่าอาจจะมีผ้าผ้าสมงที่เอาติดตัวไปก็ปูเป็นผ้าปูที่นอนไปเทนานี้ก็อยู่ได้แล้วสำหรับกัรปฏิบัติ ไม่ต้องมีภาระในการที่จะต้องคอยดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นที่ที่ไม่ค่อยปลอดภัยคือไม่ได้ไม่มิดชิดไม่มีประตูไม่มีนัดอะไรปิดกัน้นเวลานอนก็มักจะนอนด้วยการมีสติพอมีอะไรเสียงอะไรปรากฏมาเขาทบทับใจก็จะตื่นขึ้นมาทันที จะมีสติและคอยระมัดระวังภัยอยู่ตลอดเวลา<ม>นี่คือความมากน้อยของนักปฏิบัติ เ, เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมคือสติ<ม>ให้มีมากขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องไปบังคับมันให้มีสติไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวที่ไม่ปลอดภัยนี้มันจะทำให้มีสติขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ความขี้เกียจความมววงเหงาเหงานอนก็มีน้อยอยู่ในที่ที่มันน่ากลัวนี่มันจะไม่ค่อยนอนเท่าไหร่พอใจมัน จ, จะคอยมันตื่นอยู่ดนตื่นด้วยสติด้วยความระมัดระวังตัวเองอ่า ม, ม, มากน้อยในปัจจัยสี่ผ้ า, ผาเครื่องนุงหมจีวรสมัยก่อนท่านก็ไปเก็บภาาผ้าหอ่อศพที่ทิ้งไว้ในป่าชา้า แต่คนตายสมัยก่อนเขาจะใช้ผ้าหอ่อหอศพแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าให้เน่าเปื่อยหลังจากศพเน่าเปื่อยไปแล้วก็ผ้าก็กองอยู่ในในปา่าช<ม>้าก็เป็นหนังของการไปหาผ้ามาตัดเอาผ้าเหล่านี้มาตัดมาเย็บมาซักมาย้อมให้เป็นจีวรเครื่องนุ่มของพระ เครื่องนุ่งห่มของพระก็มีแค่ชุดเดียวก็พอเพราะท่านส่วนใหญ่ท่านเป็นพระที่ที่จะเดินทางไปไหนมาไหนจะมีสมบัติมากมายก็พุ่งพลังบางจะมีการเพียงคนละหนึ่งสำรับก็พอหนึ่งชุดก็พอถ้าไต่สามผืนถ้าจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมันขาดมันมีปัญหาใช้ไม่ได้แล้วเท่านั้นถ้าใช้ได้ก็ใช้แค่สามผืนนี่ ทาให้ไม่ต้องเหนื่อยว่าพลุงพลังกับกับสิ่งของที่มันจะต้องใช้ในการบริโภคในการในการอยู่มีเท่าที่จำเป็นก็พอมีผ้าสามผืนนี่ก็พอแล้วสำหรับเครื่องนุ่หมของนักปฏิบัติธรรมยารักษาโรคสมัยก่อนท่านก็ใช้ยาดองน้ำมูด เอาผลไม้เช่นส ม, มอมาดองด้วยน้ําปัสสวะเวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดื่มน้ําดองนั้นก็พอบรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายไปได้สมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลไม่มีหมอไม่มีอยู่ยมียาท่านส่วนใหญ่ก็จะใช้ธรรมโอสถกันใช้ธรรมะเป็นยานนระงับความวิตกกังวลความหวาดกลัว ในโลกภายแค่เจ็บของร่างกายพอใจสงบใจก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็<ม>สามารถปล่อยให้มันรักษาตัวของมันเองได้<ม>ถ้ารักถ้ามันอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้มันก็ตาย ก, ก็ต้องให้มันตายไปนักป<ม>ฏิบัตินี้พร้อมอยู่แล้วกับเรื่องของความเจ็บความตาย พิจารณากันอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ถึงเวลาแล้วร่างกายมันก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วโรคภัยที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ก็ได้พิจารณาเห็นแล้วว่าก็มีอยู่สามชนิดด้วยกันโรคที่เป็นเองแล้วก็หายเองได้ไม่ต้องทำอะไรเช่นปวดท้องหรือปวดศีรษะ แล้วสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายเองได้ไม่ต้องกินยาก็ได้ถ้าใจไม่วุ่นวายใจสงบใจไม่วิตกกังวลกับการเจ็บท้องเจ็บศีสษะก็ปล่อยมันเจ็บไปดูมันไปว่ามันจะหายเองหมหรือไม่หายเองถ้ามันหายเองมันก็เป็นโรคชนิดที่หนึ่งคยเป็นโรคที่เป็นแล้วก็เป็นเองแล้วก็หายเองได้ส่วนถ้าปล่อยให้มันรักษาแล้วมันไม่หาย ก็เป็นโรคชนิดที่สองก็คือเป็นโรคที่เมื่อเมื่อเป็นแล้วต้องรักษาต้องหาวิธีรักษาถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็อาจจะต้องไปปรึกษากับผู้ที่รู้เกี่ยวกับวิธีรักษาเรื่องของร่างกายว่าต้องกินยาอะไรมากต้องทําอะไรอย่างไรมากถ้าทําถูกวิธีก็สามารถที่จะบําบัดโรคชนิดนั้นได้นี <S S <ม>่เรียกว่าโรคชนิดที่สองคือเมื่อเป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหาย ถ้าไม่รักษามันก็ไม่หายแล้วก็ชนิดที่สามโรคชนิดที่สามก็คือเวลาเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมันเป็นโรคที่ต้องอยู่กับเราไปจนวันตายอันนี้ถ้ามีสติมีปัญญาก็ทำใจสอนใจให้ยอมรับกับโรคเราวเหล่านี้ใจก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวาย พร้อมที่จะให้ร่างกายมันเป็นไปตามสภาพของมันเมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องตายก็ปล่อยให้มันตายไปถือว่าการจะตายนี้จะได้เป็นการพิสูจน์ทำที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาว่าเป็นธรรมแท้หรือเป็นธรรมปลอมถ้าเป็นธรรมแท้เวลาเจอโครคภัยไข้เจ็บหรือใกล้เจอความตายถ้าใจไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับ ความเจ็บความตายของร่างกายก็สแสดงว่าใจได้ทำแท้ใจไม่ทุกข์กับมันถ้าใจยังทุกข์ยังมิตกยังวุ่นวายยังหวาดกลัวอันนี้สแสดงว่าทำ ท, ที่คิดว่าเป็นธรรมนั้นยังไม่ได้เป็นธรรมแท้ถ้าเป็นธรรมแท้แล้วต้องดับความทุกข์ใจได้กาจัดความทุกข์ของใจได้ แ น, นักปฏิบัติจึงไม่ค่อยกลัวเรื่องของความเจ็บความตายเท่าไหร่เพราะถือว่าเป็นเหมือนกับการได้ทําข้อสอบถ้าเราไม่เจ็บเราก็จะไม่รู้ว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านถ้าเราเจ็บเราจะรู้ว่าเออวลาเราเจอความเจ็บอย่างนี้เอใจเราเป็นอย่างไรใจเราวางเฉยได้หรือไม่หรือใจเราวุ่นวายใจเราหวาดกลัวขึ้นมา ถ้าหวาดกลัววุ่นลน์ก็ถือว่ายังไม่ผ่านทำที่ได้ปฏิบัติที่คิดว่าเป็นธรรมแท้แล้วนี้ยังไม่เป็นธรรมแท้ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมอาจจะใช้ช่วงเวลาที่เจอข้อสอบนั้นทําทําสร้างธรรมะขึ้นม า, าเพื่อให้เป็นธรรมแท้ขึ้นมาก็ได้ด้วยการเจริญสติทําใจให้สงบนิ่งแล้วหลังจากใจสงบนิ่งเกะ ออกจากสมาธิมาก็พิพจารณาความเจ็บของร่างกายว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาหรือไม่ทำอะไรได้หรือไม่ห้ามมันได้ไหรือไม่พพิจารณาแล้วเห็นว่าห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ก็ต้องรู้จักทาใจอยู่กับมันไปยอมรับสภาพความจริงไปถ้ายอมรับสภาพของความจริงได้ โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้อันนี้ก็จะรู้ว่าผ่านนี่คือเรื่องของความมากน้อยนี้มันจะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่จะช่วยเอื้อต่อนักปฏิบัติให้อยู่แบบไม่ยุ่งยากไม่ต้องเสียเวลามากกับการที่จะต้องมาดูแลเลี้ยงดูร่างกายให้ ให้ใช้เวลาในการเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสนี้ให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะได้เอาเวลาอันมีค่านี้มาใช้กับการปฏิบัติธรรมมาสร้างพลังให้แก่จิตใจสร้างวิริยะสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อที่ใจจะได้มีพลังในการต่อสู้กับ กิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถ้ามีธรรมที่มีกำลังมากกว่ากิเลสตัณหาโมหะอาวิชชากิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาก็จะต้องถูกกําจัดไปถ้าธรรมยังมีกำลังน้อยกว่าก็จะสู้กิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาไม่ได้ก็ต้องเพียรปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้นาการที่ใช้ ใช้ความมากน้อยนี่มันเป็นเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทางธรรมทางโลกก็อาจจะมองว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขเลยที่อยู่แบบอัตคัดขัดสนอยู่แบบออพอเพียงที่ในหลงวงลอเก้าเคยสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงออพอให้มีพออยู่พอกินก็พอไม่ต้องละไม่ต้องหรูหราไม่ต้องฟุ่มเฟือย มีมากไปกว่า น, นั้นก็ไม่มีคนมีประโยชน์อะไรให้มันรูหรามันก็ไม่มีคนมีประโยชน์อะไรมากมากกว่าเท่าที่มันมีอยู่เท่าที่จำเป็นจะได้ไม่เสียเวลามาให้กับการเลี้ยงดูร่างกายหาทรัพยากรหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายจะได้เอาเวลานี้มาใช้กับการปฏิบัติทาในระดับต่างๆ เพื่อเพื่อวิมุติเพื่อทำให้ใจให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงโดยเฉพาะความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายนี้นา น, นานจะมีโอกาสได้มาเกิดในยุคที่มีผู้สอนผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกที่จะมาสอนวิธีปฏิบัติ เพื่อให้จิตใจได้หลุดพน้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่เอาเวลาอันมีค่านี้มาใช้กับการศึกษากับการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพน้นแล้วเวลามันก็จะหมดไปได้เวลาหมดไปแล้วโอกาสทองอันนี้ก็จะหมดไปคราวหน้าโอกาสที่จะได้เจอโอกา ส, อกาสทองแบบนี้อีกอาจจะเป็น อาจจะอาจจะไม่มีเลยก็ได้หรืออาจจะมีก็เป็นเวลาระยะเวลาที่มันยาวนานมากเพราะว่าอวุตศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ <Okay. S 1> นานๆจะปรากฏขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ได้และจะอยู่ได้ชั่วยระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองเช่ <Okay. S 1> นศาสนาพุทธนี้ <Okay. S 1> ก็จะอยู่ในโลกนี้ได้ประมาณห้าพันปีเป็นที่พึ่งของสามโลกได้ประมาณห้าพันปี หลังจากนั้นแล้วก็จะไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งให้แก่สว์โลกได้เพราะไม่มีใครมาสั่งมาสอนไม่มีใครรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าต้องปฏิบัติอย่างไ ร, รถึงม้จะมีซากของศาสนาก็คือมีทา้าวรลวัตถุต่างๆเช่นพระพุทธรูปโบทเจดีย์สิ่งศักดิ์ สิ่งศักดา์บูชาทั้งหลายแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถสอนธรรมะให้แก่ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แม้แต่หนังสือพระคัมภีร์ต่างๆก็ถึงแม้อาจจะมีอยู่แต่ก็อาจจะไม่สามารถที่จะให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้เข้าใจอย่างถูกต้องและปฏิบัติให้หลุดพ้นได้ถ้าไม่มีผู้ที่ได้หลุดพ้นแล้วมาเป็นผู้สั่งสอน ถ้าเป็นผู้ที่หลุดพ้นแล้วจะสามารถสอนได้อย่างถูกต้องแม่นยําและทําให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเัร น, นั้นในขณะที่มีเวลานี้อยู่ไม่ควรที่จะประมาทไม่ควรที่จะปล่อยให้เวลามีค่านี้ไปกับการกระทําเรื่องที่ไม่มีคุณประโยชน์ต่อจิตใจก็คือเรื่องทางโลกกระทำไม่ควรจะให้ความสําคัญกับเรื่องราบยศทรัลเสริญ สุขมากเกินไม่เลยแล้วก็ไม่ควรให้ความสำคัญต่อการแสวงหาปัจจัยสี่มากจนเกินไปหาพอให้อยู่กินพออยู่พอกินได้ก็พอแล้วให้ใช้เวลาให้น้อยที่สุดต่อการหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายด้วยการใช้ความมักน้อยก็ดีหรือใช้ความสันโดษก็ดีก็คือยินดีตามมีตามเกิด หาได้มากหาได้น้อยก็พอใจถ้าตาบใดพอให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ตายอาจจะไม่ได้อย่างเต็มที่ตามที่ต้องการร่างกายต้องการก็ยังแต่ก็ยังพออยู่ได้ก็ให้ยินดีอย่าไปทุกข์กับมันเพราะเป้าหมายของการปฏิบัตนินี้ต้องการดับความทุกข์ไม่ใช่ต้องการมาสร้างความทุกข์แม้การเลี้ยงดูร่างกายก็ไม่ไม่ควรที่จะให้การเลี้ยงดูร่างกายนี้มา เป็นเหตุให้สร้างความทุกข์ให้กับใจถ้าใจมีสันโดษในการเลี้ยงดูร่างกายแล้วใจจะไม่ทุกข์ข้าได้ไม่พอเพียงได้อาหารไม่พอเพียงแทนที่จะได้ข้าวกินให้ดับความหิวได้แต่กินแล้วยังความหิวยังไม่ได้ไดับแต่มันก็ได้ข้าวได้อาหารเท่านั้นก็ยินดีไปสำหรับวันนั้นไปแล้วก็ดูวันต่อไป ถ้าตาดร่างกายยังหายใจได้ยังปฏิบัติทําได้อันนี้เป็นสิ่งที่ที่ควรจะพอใจดูดูดูดูความสามารถของร่างกายเราเลี้ยงดูร่างกายนี้ไม่ใช่เพื่อให้มันอยู่ไปตลอด <nes. S 1> เพื่อไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้มันไม่ใช่เป็นเป้าหมายของนักปฏิบัติ <achievement. S 1> เป้าหมายของการนักปฏิบัติการเลี้ยงดูร่างกายก็เลี้ยงเพื่อให้มันเอามา ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัตินั่นเองถ้าได้ปัจจัยสี่มาแล้วถึงแม้จะมากบ้างจะน้อยบ้างแต่สามารถทำให้นำมาร่างกายนี้ไปใช้กับการปฏิบัติทำได้ก็ก็ถือว่าใช้ได้ถ้าสามารถเอาร่างกายมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิได้มาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาปฏิบัติทำได้ซึ่ง ถึงแม้ว่าปัจจัยสี่อาจจะไม่เพียงพอในบางครั้งบางเวลาแต่ก็ไม่ได้มาทำให้การใช้ร่างกายให้กับการปฏิบัติธรรมนี้ขาดตอนหรือว่าไม่สามารถทำได้อันนี้ก็ก็ถือว่าใช้ได้ยกเว้นว่าถ้ามันถึงขั้นที่จะทําทํำให้ร่างกายนี้เกิดไข้ได้ป่วยขึ้นมาอันนี้ก็อาจจะต้องขวนขวายหา หาอะไรมาคอยเยียวยามันต่อไปเพราะถ้าไม่มีร่างกายหรือว่าจะใช้สภาพอันที่แย่กของร่างกายนี้มันเป็นข้อสอบแทนก็ได้ใช้เป็นข้อสอบเลยก็ได้เพราะว่าไม่ช้าก็เร็วต่อไปเราก็ต้องเจอกับข้อสอบของร่างกายก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายของร่างกายนีถ้ามันเกิดจากการที่เราอดอยากขาดแคลนในปัจจัยสี่ เราก็ถือว่าใช้มันมาเป็นข้อสอบเลยก็ได้อาจจะสอบผ่านอาจจะอดยากตายไปแต่ใจร่างกายตายไปแต่ใจไม่ตายใจได้ทําที่เกิดจากการทําข้อสอบของการอดอยากขาดแขนของร่างกายได้ดังน mm ั hmm. ้นถ้าจะมองให้ดีความทุกข์ยากลําบากของร่างกายนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นหินที่จะใช้ในการรับสติปัญญาของใจ ให้ใจมีสติปัญญาให้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นตายรักเห็นอริยสัจสี่ถ้าเห็นตายรักเห็นอริยสัจสี่จากการจากการเจ็บไข้ได้ป่วยอัตคัดขัดสนของร่างกายก็ถือว่าคุ้มค่าไม่ขาดทุนดีกวที่อยู่แบบอิ่ ม, มีีพีมันแล้วมีแต่ใจกับตาบอดหูหนวกมองไม่เห็นอริยสัจสี่มองไม่เห็นตายรักษ กลับไปมองเห็นเป็นสิ่งที่จะต้องคอยควบคุมคอยดอยูแลรักษาคือแทนที่จะเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็กลับไปมองเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตาพอเห็นว่าร่างกายนี้เป็นนิจจังสุขขังอัตาก็ต้องคอยรักษาให้มันเป็นนิจจังสุขขังอนตาไปเวลาที่มันเป็นอนิจจังขึ้นมาก็จะเริ่มเกิดความทุกข์ขึ้นแล้วก็จะไม่รู้จักวิธี ปฏิบัติกับความเป็นอนิจจังของร่างกายว่าจะต้องทำอย่างไรความเป็นของนันความเป็นอนัตตาของร่างกายต้องเป็นอย่างไรความเป็นทุกข์ของร่างกายเกิดจากอะไรก็จะไม่รู้แต่ถ้าอยู่แบบอัตคัดขัดสนเจอข้อสอบอยู่เรื่อยๆก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าใจไปอยากให้มันเที่ยง จะอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะอยากให้มันอิ่มหีพีมันพอมันไม่ได้กินอิ่มหมี้พีมันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องยอมรับกับสภาพของร่างกายว่าบางทีมันเป็นของไม่เที่ยงบางทีมันก็มีกินบางทีมันก็ไม่มีกินบางทีก็มีมากบางทีก็มีน้อยไม่ว่าจะมีมากมีน้อยก็ไม่ให้ไปทุกข์กับมันก็ต้องมีสันโดษมีความมากน้อย มันก็จะช่วยทําให้ใจไม่ต้องทุกข์กับร่างกายเพราะใจก็จะยอมรับความไม่แน่นอนของร่างกายเพาะร่างกายเป็นของไม่ไม่แน่นอนบางวันก็อาจจะดีบางวันก็อาจจะไม่ดีแล้วไม่ว่าจะดีแล้วไม่ดีในที่สุดมันก็จะต้องถึงวันที่มันจะต้องสิ้นสุดลงวันใดวันหนึ่งคือความตายของร่างกายถ้าใจคอยคิดอย่างนี้คอยพิจารณาอย่างนี้แล้วคอยฝุกจัดใจ ให้รับกับสภาพเหล่านี้แล้ว <Yeah. S 1> พอเจอสภาพเหล่านี้ใจก็จะไม่ทุกข์ได้ใจก็จะวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายได้ <Yeah. S 1> ถ้าเราถ้ารู้จักการการใช้ความมากน้อยสันโดษในการเลี้ยงดูร่างกาย <Yeah. S 1> อย่าไป <c oughs> <c oughs> ฟุง้งเฟ้อเหอ่เหอหิมอย่าไป <Yeah. S 1> เลี้ยงดูร่างกายแบบอิมมีดพีมันสมัยนี้ยุคนี้เห็นไหมคนนี้ส่วนใหญ่มักจะ เป็นคนที่น้ำหนักเกินกันทั้งนั้นสมัยก่อนสมัยที่เราเป็นเด็กๆนี่คนที่อ้วนนี่ไม่ค่อยมีมีน้อยมากเป็นของแปลกสมัยนี้กลับกลายเป็นของปกติแล้วเพราะว่ามันเป็นโลกที่เจริญที่พัฒนาทางด้านการอาหารการกินของร่างกายนั่นเองสามารถกินได้ตลอด24ชั่วโมงแต่กินเวลาไหนก็กินได้ มีสถานที่มีที่สั่งอาหารได้ให้เขามาส่งก็ได้หรือมีตู้เก็บอาหารไว้ในบ้านก็ได้เก็บเครื่องดื่มเก็บอะไรเต็มเลยหมดพออยากปุ๊ ก, ก็สามารถตอบสนองตัณหาความอยากได้ทันทีร่างกายก็จเจริญยุ่งเรื่องกลายเป็นตุ่มแต่จิตใจก็ผอมลงไปไม่มีสติไม่มีปัญญาเลยสู้กิเลสไม่ได้เวลากิเลสเลโผล่ขึ้นมานี่ สติปัญญาหายหมดไม่กล้าออกมาต่อสู้กับมันกิเลสมันก็เลยคองใจเลยทำให้ใจนี้ทุกข์มุนวายอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้กินอะไรนิดอะไรหน่อยก็ทุกข์แล้วทั้งๆที่ร่างกายนี้ถ้าอดไปสักสิบวันยี่สิบวันก็ไม่ตายเพราะมีสเบงอาหารสะสมไว้ในร่างกายอยู่มากมายแต่ใจมันหิว พอใจมันมันอยากแล้วมันไม่ได้ทำตามความอยากมันก็จะทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาได้ น, นี่คือเรื่องของทำไมเราเพราะเจ้าถึงทรงสอนเรื่องของความรักน้อยสันโดษเพราะว่ามันเป็นการกระทาที่จะลดความอยากต่างๆสกัดกั้นความอยากในปัจจัยสี่ทำให้ไม่ค่อยต้องมาทุกข์ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการเลี้ยงดูร่างกายดูแลร่างกายแล้วก็ทำให้ ใจเกิดปัญญาทําให้ใจเห็นความเป็นจริงของร่างกายว่าเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะมันเป็นของธรรมชาติมันมาจากดินน้ําำลมไฟแล้ววันหนึ่งมันก็จะต้องกลับกลืนสู่ดินน้ำนํำนมไฟไปใจเพียงแต่เป็นผู้มาอาศัยใช้ร่างกายในการทําตามตา ม, ตามความต้องการของใจ ถ้าใจมีความอยากมีกิเลสตัญหาใจก็จะใช้ร่างกายไปทำต่างความอยากแต่ถ้าใจมีทำใจอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆใจก็ใช้ร่างกายนี้มากับการสร้างธรรมะมาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้ใช้ธรรมที่ได้สร้างขึ้นมานี้<ม>ไปกำจัดกิเลสตัญหาโมหะอวิชชา ตัวที่พาให้ใจจะต้องมามีร่างกายมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ได้เรื่อ ย, อยพอใจมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นภาระมากเกินไปก็สามารถใช้ร่างกายนี้มาให้กับการศึกษาธรรมะคาสั่งคําสอนและหลังจากที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรมแล้วก็นํามัาไปปฏิบัติปฏิบัติธรรมต่างๆ ในหัวข้อที่ได้พูดถึงนี้เช่นเช่นไม่ให้ไปสังคมกันให้แยกอยู่กันอยู่กันตามลาพังอยู่กันตามลาพังจะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติถ้าไปเข้าสังคมกันมันก็จะไม่มีเวลาให้กับการปฏิบัติมันก็จะคอยไปต้องไปทำกิจของสังคมไปช่วยคนนั้นไปช่วยคนนี้ผัดกันช่วยผัดกันทำอะไรไปเวลาที่จะเอามาช่ว ย, วยตัวเองเลยไม่มี เวลาที่จะมาปฏิบัติตนเองเพื่อสร้างธรรมะเพื่อมาดับความทุกข์ใจต่างๆก็จะไม่มีการคุ้ครีนี้ถ้ามองทางโลกมันก็ดีอยู่เพราะว่าเป็น ค, ความสามะคัคคีเป็นการดูดแล ก, กันช่วยเหลือกันแต่มันเป็นการดูแลช่วยเหลือกันในทางร่างกายมากกว่าในทางปัจจัยสี่เป็นต้นแต่ในทางด้านจิตใจนี้มันการสังคมกันนี้มันไม่ได้ช่วยให้เกิด เกิดเกิดการเจริญทางด้านจิตใจเลยยกเว้นว่าถ้ามารวมกันเพราะต้องมาฟังเทศฟังธรรมนี้เท่านั้นที่เป็นกิจที่ยังต้องทํากันอยู่เพราะว่าถ้าไม่รู้จักวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อทําให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่การที่มารวมกันมา มาฟังทํากันนี้ก็มามีเป้าหมายมีจุดประสงค์อันเดียวก็คือมาเรียนรู้ธรรมะเท่นั้นเองในหลังจากเวลามาทําถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วถึงแม้จะมาเจอกันก็ไม่มาสนทนากันไม่มาทักทายคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างคนต่างมาต่างคนก็ต่างเข้าที่นั่งของตนเอ ง, งทําใจให้สงบรอให้เวลาแสดงธรรม แล้วเวลาฟังทำเสร็จแล้วก็แยกกันไปคนละทิศคนละทางกลับไปสู่ที่พักไปที่ปฏิบัติไม่ใช่มันเจอกันแล้วก็มาคุยกันสนทนัตสนธนาคุยกันไปคุยกันมาเดี๋ยวก็ชวนกันไปนู่นไปนี่กันอีกชวนกันไปเที่ยวที่นั่นชวนกันไปเที่ยวที่นี่ชวนกันไปกินไปดื่มอะไรกันอีกอันนี้ต้องระมัดระวังถ้ามาต้องมาเจอกันสําหรับผู้ที่ต้องการจะเอาเวลาให้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดนี เวลาที่มารวมกันเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมก็มีจุดประสงค์อันเดียวท่านั้นก็คือเพื่อมาฟังธรรมเมื่อฟังธรรมเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปกลับไปอยู่ส่นที่ปฏิบัติของตนอยู่ตามลาพังพอเวลาอยู่ตามลาพังนี้แหละเป็นเวลาที่เราจะสามารถเจริญสติเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเราจเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิใจเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่าย แล้วสงบได้นานแล้วก็จะมีความสุขจากความสงบเวลามี <hora> ความสุขได้จากสมาธิแล้วนี้มันก็ไม่หิวโหยกับความสุขจากบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ก <sé ries> ารที่อยากจะไปคุกคีกับใครไปพบปะกับใครไปสังสรรค์กับใครนี้มันก็จะเห็นโทษทันทีว่ามันไม่ได้ประโยชน์เท่า ก, ากับการที่เราอยู่คนเดียว <une enta> เวลาเราอยู่คนเดียวเรามีเวลาได้เจริญสติอย่างต่อเนื่อง คอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดไม่ให้ใจลอยไปลอยมาไม่ให้ไปคิดถึงอดีตไม่ให้ไปคิดถึงอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้ให้รู้เฉยๆโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรถ้าเราอยู่คนเดียวอยู่แบบนั่งปฏิบัติเราไม่มีงานอะไรต้องทํานอกจากการเดินโยกมนั่งสมาธิหรืออาจจะทํางานเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัย หรือรักษาความสะอาดของร่างกายเช่นเวลาอาบน้ำอาบท่าหรือทำความสะอาดรักเสื้อผ้าอะไรเท่านั้นเองแต่งานเหล่านี้ไม่มีคมไม่จะมีความจำเป็นจะต้องใช้ความคิดเราสามารถฝึกสติจะปฏิบัติทำควบคู่กับการทำงานเหล่านี้ได้คือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องคอยควบคุมคอยหยุดความคิดไม่ไปคิดถึงเรื่องง น, นเรื่องนี้ พอเวลานั่งสมาธิจิตจะรวมเป็นสมาธิได้ก็ต้องหยุดความคิดให้ได้ถ้าสามารถหยุดความคิดได้อย่างต่อเ น, นื่องไม่เกินห้านาทีจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้เวลจิตรวมเข้าสู่สมาธิแล้วจิตก็จะสงบนิ่งเย็นสบายมีความสุข มีความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากการได้พบปะคนนั้นคนนี้ได้สนทนาได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนนั้นร่วมกับคนนี้หรือได้ไปทำไปเที่ยวที่สถานที่นั่นที่นี่หรือได้เงินได้ทองได้อะไรต่างๆมาความสุขต่างๆเหล่านี้มันเมื่อได้มาเปรียบเทียบกับความสุขที่เราได้จากการทําใจให้สงบแล้วมันต่างกันเหมือนกับฟ้ากับดินพอเราได้พบกับความสุขอันประเสริฐนี้แล้วอันเลิศแล้วเราก็สามารถ ละความสุขเก่าได้เลยคอยหาความสุขจากการไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปเที่ยวตามสถานที่นั้นสถานที่ น, นี้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่างนั้นอย่างนี้นั้นมันจะไม่มีความหมายอีกต่อไปเพราะรู้ว่ามันเป็นความสุขแบบชิปจ้อยเมื่อเทียบกับความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบใจก็จะไม่ขวนขวายไม่ไปสนใจกับการหาความสุขแบบที่คอยหาให้ต่อไปแต่ จะกลับมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบด้วยการาด้วยความพยายามที่จะปีกวิเวกไปหาที่สงบสงดัดห่างไกลจากแสงสีเสียงแล้วก็อยู่คนเดียวตามลาพังเพื่อที่จะได้เจริญสติเพื่อที่จะนั่งสมาธิให้บ่อยขึ้นได้มากขึ้นจนต่อไปใจก็จะมีความสุขกับสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนเดินยืนนั่ง น, นอนเวลาออกจากสมาธิมาใหม่ๆใจก็จะสงบเย็นสบาย แต่ถ้าพังเผอปล่อยให้ใจเริ่มคิ ด, น, น, คดนู่นคิดนี้ไปเดี๋ยวความสงบที่ได้จากจากการนั่งสมาธิก็จะหมดไป uh huh. ก็ต้องกลับเข้าสมาธิใหม่ uh huh. เข้าไปเติมใหม่ uh huh. ผู้ที่เข้าสมาธิได้แล้วนี้ก็จะไม่มีปัญหาก็สามารถเข้าได้ทุกครั้งไป uh huh. ทุกครั้งที่ต้องการความสงบต้องการความสุขจากความสงบก็กลับเข้าไปในสมาธิ uh huh. หลังจากออกจากสมาธิมา uh huh. ถ้าอยากที่จะทำให้ใจมีความสงบอย่างถาวรก็ใช้ปัญญาพิจารณาเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบว่าเกิดจากอะไรก็จะเห็นว่าเกิดจากความคิดคิดไปในทางความอยากต่างๆนั่นเองสมาธินี้ถึงแม้จะทำใจให้สงบได้ก็ตามแต่ยังไม่สามารถกำจัดความอยากต่างๆที่ยังมีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ มันเพียงแต่กดเอาไว้ไม่ให้ความอยากทํางานเวลาใจสงบความอยากทํางานไม่ได้เพราะความคิดไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรแต่พอออกจากสมาธิมาพอปล่อยให้ใจคิดปับ๊บมันก็จะคิดถึงความอยากต่างๆขึ้นมาเห็นวิธีจะแก้ก็ต้องคิดไปในทางตรงกันข้ามต้องคิดว่าสิ่งที่ความอยากต้องการนี้มันเป็นทุกข์มันี้มันไม่ใช่เป็นสุขที่มันไม่ที่มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นความสุขชั่วคราว อาจจะเวลาได้เศษได้สัมพันธ์ใหม่ๆมันก็มีความสุขแต่พอมันหมดไปมันก็จะทําให้ใจทุกข์ต้องเห็นว่าทุกอย่างที่จะไปเอามาให้ความสุขนั้นเป็นความสุขแบบชั่วคราวพอมันหมดไปมันจากเราไปมันก็จะทําให้เราทุกข์ขึ้นมาพอเราเห็นว่าการไปหาสิ่งต่างๆมาเศษให้ความสุขกรางนี้ยเป็นการไปหาความทุกข์ต่อไปความอยากต่างๆเหล่านี้ก็จะหมดสิ้นไปไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจต่อไป อยู่แบบไม่มีความอยากแล้วกับมีความสุขมีความสบายเพราะไม่มีตัวที่จะมาคอยสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับใจนั่นเองใจที่ไม่มีความอยากของเหลืออยู่<ม>ก็เป็นใจที่สงบที่สุขไปตลอดใจนี้พระเจ้าเรียวกว่นานิพพานนิพพานไม่ใช่สถานที่แต่นิพพานเป็นใจที่ได้ระงรับความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจ ตัณหาทั้งสาคามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรดความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นที่เคยมาสร้างความทุกข์สร้างความหิวโหยสร้างความต้องการต่างๆให้กับใจนี้มันหายไปหมดพอหายไปหมดความหิวความโหยความต้องการต่างๆก็หายตามไปหมดเหลือแต่ความอิ่มความพอตลอดเวลาไม่ต้องการที่จะมีอะไรอีกต่อไปเพราะมันเป็นความสุขที่เป็นความสุขที่ธรรมชาติ เป็นธรรมชาติของใจเวลาไม่มีความอยากแล้วใจก็จะสงบนิ่งเย็นสบายอันนี้คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราเวลาที่เราพบปะกันเราสนทนาธรมกันเราคนจะสนทนาเรื่องที่จะส่งเสริมการยกระดับจิตใจส่งเสริมการปฏิบัติจิตใจให้ได้ขึ้นสู่ระดับวิมุตติหลุดพ้น ไม่ได้ให้ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตาเกิดก็ต้องคุยเรื่องมากน้อยสันโดษเรื่องของการาไม่คุบคีกันเรื่องของการไปปรีกวิเวกหาที่สงบสงัดเรื่องของการทำความเพียรปฏิบัติธรรมเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาเรื่องของวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์และเรื่องของวิมุตติญาทณทัศนะ โดยการอย่างทราบว่าจิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะถ้ามีวิวมุตติญาณทัศนะก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปถามใครว่าหลุดพ้นหรือยังเหมือนคนเวลาที่หายจากโรคใครแค่เจ็บไม่ต้องไปถามหมอว่าหายหรือยังไม่ด้อบอกหมอขอกลับบ้านได้แล้วหายแล้วไม่ต้องให้หมอมาบอก มันจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นสารทิติโกผู้ปฏิบัติจะรู้ได้ด้วยตนเองอ น, นี่แหละคือสิ่งที่ชาวพุทธเราอย่างน้อยอทีละหนึ่งครั้งคนจะทํากันก็คือฟังเทศฟังธรรมแล้วหลังจากฟังเทศฟังธรรมถ้ามีความไม่เข้าใจในข้อในธรรมข้อไหนหรืออยากจะรู้ทำในเรื่องอะไรก็เอามาคุยมาถามกันเรียกว่าสนทนาธรรมกันแล้วก็จะได้รับประโยชน์ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง เป็นสมาธิติที่จะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดขึ้นไปจากใจได้นี่คือเรื่องของความเป็นมงคลของวันพระที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะาวาเรวาหาโปราปาลิกโเลนติสาคัง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 จันโทปนะระโสยถามณิโชติอระโสยถาสัพพิติยวิวาชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราลอยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิตะนิจจังวุฒาปจายโน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 กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังทางเฟ e บุ o k 504ท่านทาง YouTube พระอาจารย์368ท่านทางด r V เตอร์ว l ชาแน97ท่านครับเ้า6ท่านวิทยุออนไลน์8ท่านผู้รับฟังธรรมา น, นุกุติ247ท่านรวมทั้งหมดเป็น 1,225 ท่านเจ้าค่ะ มีมีคนถามทางหลังเนะไม่ไม่ได้ถามสิค่ะก็มีคําถามจากผู้รับฟังธรรมานากุติเจ้าค่ะกรณีที่ต้องถอดเครื่องช่วยหายใจเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยทรมานในระยะยาวถือว่าบาปมากไหมถ้าทําไปแล้วจะแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะก็บอกเ้าถอนองได้ว่าไม่ได้เป็นการกระทําบาปบางทีการ ช่วยเหลือทางนี้แทนที่จะช่วยให้เขาสบายกับอะช่วยให้เขาต้องทุกงานขึ้นก็ไม่เกิดไปอยู่อะไรเราสามารถบอกเขาได้หร่าว่ายุติการรักษาได้การยุติการรักษานี่ไม่ถือว่าเป็นการระธรรมบาปแต่ถ้าทำให้เขาตายเนี่ยถึงเรียกว่าทํามบาปเจ้า่ะคำถามต่อไปการนั่งสมาธิเดินจงกรมควรจับเวลาในการปฏิบัติหรือไม่เจ้าขา ควรจะใช้สติจับด้วยสติดีกว่าถ้ามีสติแล้วมันก็จะเดินได้นานกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติแล้วทำไมเราถึงคุยกับคนที่ไม่ปฏิบัติไม่ค่อยรู้เรื่องเบื่อที่จะพูดคุย ก็เป็นคนคนแนวกไงคนชอบลูกทุ่งกับคนชอบลูกกุงมึงก็คุยกันคนชอบธรรมะก็ต้องไปคุยกับพวกคนที่ชอบธรรมะอ่าคนที่เขชอบเที่ยวก็ต้องไปคุยกับพวที mm. <t <t ่ชอบเที่ยวกันคําถามจากคุณใบยกเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกนั่งสมาธิชั่วโมงกว่าจิตติดอยู่กับลมสงบมากเพราะจิตเพราะจิต ดูแต่ลมหายใจจนออกมาเองความจริงคือมันไม่มีอะไรใช่ไหมเจ้าคะนี่คือสิ่งที่ลูกได้ไม่มีอะไรถูกไหมเจ้าคะขอให้พระาจารย์แนะลูกด้วยเจ้าคะ่ะระหว่างวันได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆที่น่ายินดีและไม่น่ายินดีก็เกิดเดี๋ยวก็ดับพอลูกเฉยๆสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มาลุกลามถึงใจเจ้าคะ่ะ การที่ลูกนั่งสมาธิและร่างกายแสดงอิริยาบถต่างๆแต่จิตลูกติดอยู่กับลมไม่เผอถูกต้องหรือไม่เจ้าคะหรือว่าร่างกายต้องนั่งนิ่งๆตลอดจนออกจากสมาธิเจ้าคะเวลานั่งสมาธิก็ไม่ต้องไปขยับร่างกายให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเป้าหมายคือต้องการให้ใจนิ่งเฉยกับทุกสียงทุกอย่าง ถ้าใจยังไปขยับร่างกายอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ยอมยังไม่นิ่งก็อย่าไปขยับให้ดูลมไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะนิ่งเอนิ่งแล้วจิตก็จะวางเฉยได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจิตจะไม่รู้สึกเหลือร้อนวุ่นวายไปกับมันนี่คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิเพื่อให้จิตนิ่งสงบวางปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ชั่วคราวเช้าค่ะมีคําถามจากคุณสมพร วันนี้ยมตั้งกระเป๋าสัมภาระที่มีปลาฝอยกุ้งฝอยเสื้อกับกางเกงรวมหนึ่งชุดพร้อมยาบำรุงร่างกายและยาที่ต้องทานก่อนนอนโดยในกระเป๋ายมได้เขียนชื่อเบอร์โทรศัพท์โดยได้เขียนใส่กระเป๋าถุงผ้าว่ากระเป๋านี้เป็นของคุณสมพรไม่ได้ลืมกระเป๋านะครับพร้อมเขียนเบอร์โทรกลับมาดูอีกทีกระเป๋าหายไปเลยอย่างนี้เกิดจากอะไรหรือครับ เกิดจากความประมาทของตัวโยมเองที่วางกระเป๋าสัมภาระทิ้งไว้แม้จะเขียนโนต้ตบอกไว้เรียบร้อยว่าไม่ใช่เป็นการลืมกระเป๋าเพียงตั้งกระเป๋าไว้แบบพาราการอย่างนี้จะอธิบายในหลักธรรมว่าอย่างไรดีครับน้อมกราบบูฉาพระอาจารย์ครับมันเป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงไม่แน่นอนอนัตตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ กระดเขียนกระดาษบอกว่าเป็นของเราเรื่องนีไม่เชื่อเลยนะมัน <laughs> มันเป็นนิจจังอนัตตาเราไปคิดว่ามันเป็นนิจจังอัตตาของเราเราก็เลยทุกข์ถ้าเราคิดว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นไม่ใช่ของเราเวลามันไปเราก็จะไม่ทุกข์เจ้าค่ะขับมีคําถามจากคุณใบบุญเจ้าค่ะคุณแม่ป่วยเป็นอมพึก ทุกใจจากร่างกายยังปลงไม่ได้แกไม่ต้องการมีชีวิตอยู่ค่ะท่านสอบถามว่าถ้าท่านต้องการทำอย่างไรในการปฏิบัติธรรมต่อไปคะใครของผูขง้ของคุณแม่หรือของคําคุณแม่ค่ ะ, ะคุณแม่ฝากถามมาค่ะคว่า จะปฏิบัติทำอย่างไรก็ทำใจเฉยๆฝึกสมาธิฝึกสติมาเรื่อยๆพุทโธพุทโธอย่าไปคิดถึงเรื่องร่างกายปล่อยให้ร่างกายมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเราควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะอยู่หรือมันจะไปต้องให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันถ้าเราอยากให้มันอยู่มันจะไปเราก็จะทาให้เราทุกข์ถ้าเราอยากจะให้มันไปแล้วมันยังอยู่มันก็จะทาให้เราทุกข์ ง น, นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องเฉยเฉยมันจะอยู่ก็อยู่ไปมันจะไปก็ให้มันไปใช่ค่ะมีคำถามมาทางยูท b e พระอาจารย์เจ้าค่ะ กระาษเรียนสอบถามเจ้าค่ะในกรณีที่สังคมทำงานของเราจำเป็นต้องมีการแต่งตัวที่เกินความจำเป็นเพราะเป็นสังคมที่จำเป็นต้องมีเปลือกที่ดูดีตามวิสัยของคนอีกกลุ่มที่ยังไม่ได้มองว่าปัจจัยสี่เป็นเพียงฟังก์ชันการใช้เพื่อดำรงชีพแต่เพื่อการสร้างการยอมรับในระยะสั้นๆที่ได้เจอกันเราควรจะวางใจอย่างไรไม่ ให้เบื่อหน่ายกับหน้าที่ทางโลกนั้นคะ่ะเราก็ทําส่วนของเราไปเราทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไปพระเจ้าให้เรามากน้อยสันโดษในเรื่องของการบริโภคปัจจัยสี่เราก็ทําไปส่วนคนอื่นเขาจะทําหรือไม่ทําก็ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ต้องไปถือว่าเข้ามาเป็นอารมณ์ถ้าเราถือเข้ามาเป็นอารมณ์เราก็จะจะทําให้เราเบื่อหน่ายได้เพราะเราอยู่ในโลกที่มีความ ความเห็นไม่เหมือนกันการกระทําที่ไม่เหมือนกันแต่เราอาจจะอยากให้เขาทําเหมือนเราเขาก็ไม่ทําเหมือนเราเราก็เลยทำให้เราเบื่อหน่ายขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจกับเรื่องของการกระทําของคนอื่นให้สนใจกับการกระทําของเราว่าตรงตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าตรงตามคําสอนแล้วก็ทําไปเลยไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นใจเราจะเย็นใจเราจะสบายมีความสุข ้ค่ะคำถามต่อไปจากคุณมาริกาขอกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์การปฏิบัติที่ไปยึดติดชื่นชมยินดีอยู่ตลอดเวลานั้นทั้งทั้งที่ตนเองทราบว่ามันไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์เพราะเหตุใดเจ้าคะ่ะขอคำชี้แนะเจ้าคะ่ะเพราะความหลงเพรว่ายังสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้ กิเลสมันชอบของที่จะทําให้เราทุกข์เราล้ก็รู้ว่ามันจะทําให้เราทุกข์แต่เราไม่มีกําลังสู้กับมันเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้มีกําลังเพิ่มให้มากขึ้นแล้วต่อไปพอเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทําเราก็จะสามารถหยุดมันได้ด้วยกําลังของสติของสมาธิเค่ะคําถามต่อไป น้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมเลี้ยงดูแลแม่คืออยู่ในบ้านกันทั้งวันแต่มีจริตไม่ตรงกันจึงมีปากเสียงเถียงแม่ประจำแต่โยมก็รู้สึกผิดนะเจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำให้โยมควรจะปรับใจอย่างไรเจ้าค่ะคือการอยู่ร่วมกันนี้เขามีหลักเกณฑ์ให้ให้คิดไว้เสมอก็คือให้สมหวนส่วนตา่างให้ประสานส่วนเหมือน ส่วนไหนที่มีความคิดต่างกันไม่เห็นตรงกันก็อย่าเอามาพูด <P ew> พูดแต่เรื่องที่มีความเห็นตรงกันถ้ามันก็จะไม่มีปัญหาถ้าเราพูดในความเห็นที่ไม่ตรงกันคนนึงชอบกินกว๋วยเตีย๋ยวคนนึงชอบกินข้าวต้มมาพูดกันเดี๋ยวว่าตีกันแต่ถ้าทั้งสองคนชอบกินกว๋วยเตีย๋ยวก็คุยเรื่องก๋วยเตี๋ยวกินกว๋วยเตี๋ยวได้แล้วก็จะมีความสุขด้วยกันทั้งคู่พยายามประสานส่วนเหมือ น, ส, มมนส่วนต่าง ส่วนไหนที่ไม่เหมือนกันพูดไปแล้วจะทะเลาะกันก็อยากนําอมาพูดส่วนไหนที่พูดแล้วทำให้มีความสุขกันก็เอาเรื่องนั้นมาพูดเค่ะคาถามต่อไปจากคุณศรัท ธ, ธาแห่งพุทธะการขายประเวณีเพื่อหาเลี้ยงพ่อแม่จะถือว่าบาปไหมครับถ้าตายไปจะเกิดเป็นอะไรครับกราบขอบพระคุณครับบาปก็เป็นอาชีพทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยการกระทำบาป ก็ถือว่ามันก็เป็นการกระทําบาปการกระทํำบาปเพื่อเลี้ยงชีพก็เรียกว่ามันเป็นวิสัยของเดรัจฉานเดรัจฉานนี่เขาก็ต้องทํามาหากินด้วยการกระทําบาปเขากินสัตว์เล็กสตว์น้อยกับตัวเขาแล้วแย่งแย่งเอาหารของสัตว์ที่เล็กกว่ามากินอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิสัยของสัตว์เดรัจฉานถ้ามนุษย์ทําแบบเดียวกับสัตว์เดรัจฉานจิต ก, ก็ไล่จิต ก, ก็กลายเป็นเดรัจฉานไปแล้ว ขณงที่ร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่ในเวลาตายไปจิตที่เป็นเดรัจฉานก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานต่อไปเจ้าค่ะแล้วถ้าเกิดคนที่ไปใช้บริการหล้เจ้าค่ะคนที่ใช้บริการนี้ก็ก็ไ<า> <c oughs> ม่ก็เดรัจฉานเหมือนกันเลยเจ้า <c oughs> ค่ะคำถามต่อไปจากคุณสุรศักดิ์กราบนรัมสการพระอาจารย์ขออนุญาตสอบถามครับ ขณะที่เรานั่งสมาธิโดยการดูลมหายใจและรู้สึกตัวอยู่ภายในพอนั่งไปรู้สึกว่าอึดอัดและหายใจลำบากหายใจน้อยลงเหมือนไม่ได้หายใจเหมือนใจจะขาดพอยอมให้ใจขาดก็รู้สึกเฉยเฉยไม่เห็นลมหายใจสักพักก็อาการอึดอัดก็เกิดขึ้นมาใหม่เป็นสลับกันไปแบบนี้ทำอย่างไรต่อครับ ก็สติเรายังมีกําลังไม่มากพอดิเลตมันก็เลยแสดงอาการต่อต้านมันก็เลยทําให้เกิดอาการอุดอัดขึ้นมาถ้าดูลมแล้วมันรู้สึกยังอุดอัดอยู่ลองใช้คําบริกรรมพุทโธช่วยก็ได้เปลี่ยนจากการดูลมมาใช้คําบริกรรมอย่างเดียวเลยก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธนี้จะมีกําลังให้มีสติมีกําลังมากขึ้นน่าจะทําให้ ความอยากต่างๆความอึดอัดใจหายไปได้มีคำถามจากคนที่ทักนาคำถามเจ้าค่ะการปฏิบัติธรรมด้วยศีลสมาธิปัญญาไปเรื่อยๆโดยไม่ขาดเลย ผลที่วัดได้คือมีความสุขในใจเหมือนน้ำเย็นในใจสุขทุกขเกิดดับก็เห็นอยู่เป็นธรรมดาไม่เหงาถึงจะเจ็บป่วยก็เป็นธรรมดาไม่เศร้าไม่อะไรมากไปน้อยไปอยู่กับตัวเองได้สุข ทุกสลับเป็นธรรมดาก็กลับมาเย็นได้ก็ไม่เดือดร้อนมากคําถามการใช้ชีวิตไปเรื่อยๆประมาณนี้ใกล้อุเบกขาได้บ้างหรือยังเจ้าขาน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะก็อยู่ที่ว่าทุกหรือไม่ทุกถ้าไม่ทุกก็แสดงว่าเรามีอุเบกขาเราไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆพยายามปฏิบัติเพื่อให้ใจเราไม่ทุกข์กับอะไร มีคําถามจาก youtube เจ้าค่ะเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะทําบุญตักบาตรกวดน้ําให้ผู้ล่วงรับไปแล้วจะได้รับบุญจริงหรือไม่คะคือได้ทั้งสองคนคนที่ทําก็ได้บุญแล้วบุญที่อุทิศไปให้คนที่ล่วงรับไปแล้วถ้าก็รอรับอยู่เขาก็ได้เช่นเดียวกันแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้รอรับก็เขาก็จะไม่ได้รับบางทีเขามีบุญมากกว่า มากกว่าที่จะต้องมาเรารับส่วนบุญเช่นเขาไปเป็นเทพแล้วนี้ไปอยู่ในสวรรค์แล้วเขาก็ไม่ต้องมาเรารับส่วนบุญพวกที่มารับส่วนบุญนี่เราเรียกว่าพวกขอทานทางจิตวิญญาณที่ที่เราใช้ชื่อเขาว่าเป็นเปรตเเป็นพวกขอทานตรงนี้ถ้าเขาขิวเขาไม่มีบุญเขาก็ต้องมาขอบุญจากญาติพี่น้องเพื่อนสนิทนิสายเวลาเราทําบุญแล้วก็ทําเผือพวกนี้ไป แต่เราไม่รู้ว่าเขามารอรับหรือไม่แต่ก็ทำเผื่อไว้ก็แล้วกันเจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคไม่มีคำถามก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิเ จ, เจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทามยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุ